1โหล13ชิ้นการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเนะมืองเล็กๆชื่อว่าอนาโปตเมียมีช่างอบขนมนายหนึ่งนามว่าฟินเขาจะอบเค้กพายคุกกี้และทุกคนในเมืองก็จะไปซื้ออาหารที่ร้านของเขากันเขาคือชายผู้ซื่อสัตย์เป็นที่สุดและเป็นช่างอบขนมที่ละเอียดถี่ถ้วนผู้ที่คอยตรวจเครื่องช่างและมั่นใจว่าลูกค้าของเขาจะได้รับสินค้าเท่ากับราคาที่จ่ายไป อย่างนั้นแหละผู้คนรักที่จะซื้ออาหารจากร้านเบเกอรี่ของฟินเพราะทุกอย่างมีรสชาติอร่อยและความเที่ยงตรงของเขานี่เองที่ทําให้เขาเป็นพ่อ้าที่มีความน่าเชื่อถือคอกเค้กครีมที่ดีที่สุดของคุณปอนหนึ่งได้เลยครับเยี่ยมเลยนี่ครับขอให้มีวันที่ดีนะครับ ร้านเบเกอรี่ของเขามักจะเต็มไปด้วยผู้คนที่เข้ามาซื้ออาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเทพนิคลไลจะมีคนต่อแถวยาวเหยียดเพื่อมาซื้อคุกกี้เทพนิคลไลที่แสนอร่อยคุกกี้ขนมปังขิงราดด้วยน้าตาลไอซิ่งสีแดงและสีขาวมันดูเหมือนเทพนิคลไลสวมหมวกสีแดงและสีขาวพร้อมกับเสื้อคลุมสีแดงกลิ่นหอมหวนอันน่าสกดใจของคุกกี้ขนมปังขิงได้แผ่ซ่านไปทั่วทั้งเมือง เชิญชวนให้ผู้คนมาที่ร้านของเขาในเช้าวันเทพนิคนลน์เมื่อประตูร้านเบเกอรี่เปิดผู้คนต่างเดินเข้ามาเพื่อซื้อคุกกี้กันอ้ฉันตื่นเต้นจังที่จะได้คุกกี้แสนอร่อยกลับบ้านนะใช่พวกมันเจ๋งมากเลยรอให้ถึงตาฉันก่อนนะฉันจะเหมาทั้งโหลเลยคอยดูสิไปกันดีกว่านะผู้คนจากทั่วทั้งเมืองไปออกกันที่ร้านของฟิน เพื่อที่จะซื้อคุกกี้เทพนิโคลายอันลือชื่อของเขาแต่มีลูกค้ารายหนึ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนชะตาชีวิตของฟินตลอดไปขอททษนะคะเออครับออเอเฮ้ขอโทษค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะโ อ, โอ้ขอโทษทีฉันไม่เห็นหนูอยู่ตรงนั้นให้ฉันช่วยอะไรได้บ้างไหมคุณน้าคะคือว่าหนูอยากได้คุกกี้เทพ สักหลอนึ่งนะคะได้เลยฟินนำถาดไปและหยิบคุกกี้มา12ชิ้นจากนั้นก็วางขนงบนกล่องเขาหอกล่องและส่งมันให้กับเด็กสาวเอ่อขอโทษทีนะคะหนูขาซื้อหนึ่งโหลค่ะแต่ว่าคุณ้าให้หนูแค่เออ12ชิ้นเออครับเพราะว่าหนึ่งโหลหมายถึง12ชิ้นไงแต่แม่แม่ของหนูบอกว่า เธอชิ้นนะคะขอเพิ่มชิ้นหนึ่งได้หรือเปล่าเออขอโทษทีจ้ะเด็กน้อยฉันมักจะให้ลูกค้าในสิ่งที่พวกเขาจ่ายไม่มากหรือว่าน้อยเกินไปนะเฮ้ย <Việt> อย่าร้องไห้ไปเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ๊ะไม่เป็นไร <Việt> นี่ทำไมคุณถึงไม่ให้เธอชิ้นหนึ่งละ่ะทุกคนรู้ดีว่าโหลหนึ่งก็คือ12ชิ้น <ø> ผมก็ให้เธอ12ชิ้นแล้วไง แล้วถ้าฉันบอกว่าหนึ่งโหลคือ13ชิ้นคุณจะให้เธอเพิ่มสักชิ้นเพื่อให้เธอมีความสุขหรือเปล่าไม่ครับไม่ได้รกักคุณฟินช่างอบขนมคุณอาจจะเป็นคนซื่อสัตย์นะแต่ว่าหัวใจคุณนี่ช่างขับแคบวันหนึ่งคุณจะตกต่ำลงและคุณจะรู้ซึ้งเมื่อถึงวันนั้นเมื่อเธอพูดจบเธอก็ออกจากร้านเบเกอรี่ไปตามด้วยเด็กสาวตัวน้อยเออแปลกจังเลยฮะ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกอย่างก็ผิดแผกไปขนมปังเริ่มฟูเกินไปและภายที่ถูกทำไว้ก็มีรสเปรี้ยวโอ้เฮกนี่มันนึบเกินไปคุกกี้ของฉันเนี่ยอบไม่ได้เรื่องเลยนะฉันจะไม่มีวันกลับมาที่นี่อีกไม่นานนะักผู้คนก็สังเกตเห็นว่าอาหารของเขาแย่เพียงใดและในไม่ช้าพวกเขาก็เลิกมาที่ร้านของเขา จากเจ้าของร้านขนมที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดในเมืองกลับกลายเป็นร้านที่ไร้ลูกค้าในบัดดลฉันทำอะไรลงไปนะเด็กผู้หญิงคนนั้นต้องสาปฉันแน่เลยฟินขายของไปแบบนั้นอยู่หลายวันยอดขายลดลงและอบขนมน้อยลงผู้คนมาซื้ออาหารร้านของเขาอย่างบางตาแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็กลับบ้านไปอย่างเศร้าส้อยหนึ่งปีผ่านไป ก่อนที่จะถึงวันของเทพนิโคลไลฝนพบว่าตัวเขาเองนั่งอยู่ในร้านยึงโดดเดี่ยวไม่มีใครมาซื้อคุกกี้เทพนิโคลไลที่โด่งดังของเขาอีกแล้วในคืนนั้นเองเขาทั้งเสียใจและถูกเลิมเขาปิดร้านกลับบ้านและผ่อยหลับไปจะเสร็จแล้วละ่ะฮะนี่มันไม่ได้อย่างไรกันโอ้เทพนิโคลาย ช่วยลูกด้วยเมื่อเขาพูดออกไปแบบนั้นเขาพบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยเด็กๆและท่ามกลางกลุ่มคนเทพนิครา์ก็นั่งแจกของขวัญให้กับเด็กๆอยู่ไม่ว่าของขวัญจะถูกมอบไปมากขนาดไหนกองของขวัญก็ไม่ได้ดูลดจํานวนลงเลยยิ่งมอบให้พวกมันก็ยิ่งทวีคึณนว้าวการให้คือความรู้สึกที่เป็นสุขนี่เองทุกคน ดูมีความสุขเสียจริงนี่ดูสิว่าผมได้อะไรมาว้าวโอมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันฝินพบว่าตัวเขาเองนั้นเป็นเด็กน้อยยืนตะลึงงินอยู่เมื่อเทพนิโคลายมอบของขวัญแก่เขามันคือหนึ่งในคุกกี้นิโคลายอันเรื่องลือของเขานั่นเองขอบคุณครับ ไช่แล้วฟรินฉันเองอิวานอราฉันว่านายคงจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ควรแล้วทีนี้จงตื่นขึ้นไปทำอาหารดีๆคุกกี้ทุกชิ้นที่นายอบจะมอบความรู้สึกอิ่มใจให้กับผู้คนเขาตื่นขึ้นพร้อมกับแสงไฟที่สาดส่องลงมายอย่างหน้าต่างของเขาเขานั่งครุ่นคิดอยู่ตรงนั้นฉันให้ลูกค้าเท่ากับสิ่งที่พวกเขาจ่ายมาตลอดแต่ทาไมไม่มากกว่านั้นล่ะ มันเป็นความรู้สึกที่ดีนี่นะในการเป็นผู้ให้มันมอบความสุขที่เหลือล้นเช้าตรู่ในวันของเทพนิโคลไลฟินกลับไปที่ร้านเบเกอรี่แล้วเริ่มทําคุกกี้ของเขาเขานําสูตรอาหารมาผสมกันพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเองเขานวดแป้งทําขนมปังขิงและตัดมันเป็นชิ้นด้วยแม่พิมพ์ไม่นานนะักพวกมันก็ถูกอบจนเสร็จ แล้วต่อไปก็น้ำตาลไอซิ่งเขาโรยน้ำตาลไอซิ่งสีแดงและขาวไปบนคุกกี้จากนั้นก็ทำให้มันดูเหมือนกับเทพนิคนลายเขาดีใจมากที่คุกกี้นั้นดูดีกว่าคุกกี้ครั้งใดๆที่เขาเคยทำมาก่อนเย้ดูพวกมันสิมันแจ๋วจริงๆเมื่อเขาทำคุกกี้เสร็จแล้วอิวานอราก็เดินตรงปีไปหาเขา ขอโทษนะคะขอคุกกี้เทพนิโคลายโหลหนึ่งค่ะการได้เห็นอิวานอราเข้ามาในร้านเขายิ้มและนับคุกกี้12ชิ้นโดยทันทีและแถมให้อีกหนึ่งชิ้นจากนั้นก็ส่งมันให้อิวานอรานี่ครับจากนี้ไปในร้านของฉันโหลหนึ่งก็คือ13ชิ้นคุณเรียนรู้เรื่องการนับได้ดีมากคุณจะได้รับรางวัลจากความมีเมตตาของคุณนะ เมื่อกล่าเช่นนั้นเธอขอบคุณช่างอบขนมและเดินออกจากประตูไปและสิ่งที่เธอได้บอกไว้มันก็เป็นเรื่องจริงเรื่องที่กล่าวขานกันว่าฟินนับคุกกี้หนึ่งโหลมี13ชิ้นก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วผู้คนจากทั่วทั้งเมืองเร่เข้ามาซื้อคุกกี้หนึ่งโหลอร่อยๆของเขาขอคุกกี้โหลหนึ่งฉันด้วยฉันด้วยหนไม่ช้าเขาก็กลับมาเจริญรุ่งเรือง เขาตัดสินใจบริจาคอาหารให้กับผู้ยากไร้ทุกสุดสัปดาห์นั่นยิ่งทำให้ผู้คนมากมายจากในเมืองและเขตรอบๆมาซื้ออาหารจากร้านของเขามากขึ้นเป็นยังไงล่ะการเรียนรู้เรื่องความซื่อสัตว์และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะมอบความสุขสันต์ให้กับโลกใบนี้นั่นเอง